เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งจากคุณหานใจสิงครับคุณหานเล่าว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับผมตอนที่ผมต้องเดินทางกลับบ้านแฟนคนเดียวเมื่อสัก8ปีที่แล้วย้อนกลับไปพศ2อ5 2ส 52, ผมกับแฟนได้มีโอกาสลา ง, งานเพื่อกลับไปหาลูกที่ต่างจังหวัดแต่แม่ยายผมเกิดป่วยกะทันหันพี่ชายผมเลยพาแฟนผมกลับไปก่อนโดยให้ผมขึ้นรถทัวร์ตามไปทีหลัง หลังจากแฟนผมไปได้สองวันก็ถึงวันที่ผมจะต้องกลับพอดีวันนั้นเลิกงานบ่ายสามโมงอาบน้ำแต่งตัวเตรียมกระเป๋าเสร็จไปขึ้นรถที่หมอชิดก็เกือบเกือบทุ่มเดินไปซื้อตั๋วได้รถเที่ยวสุดท้ายเลยคือสามทุ่มตอนขึ้นรถสังเกตได้ว่าคนน้อยมากคงเพราะไม่ใช่ช่วงเทศกาลโดยละมัง้งก็ไม่ได้คิดอะไรพอเด็กรถเอาขนมมาแจกก็ถามว่าพี่ลงที่ไหนคะ ผมก็บอกชื่อหมู่บ้านแฟนไปน้องรีบยื่นขนมให้แล้วเดินไปเลยผมก็งงแต่ก็ยิ้มยิ้มไปอย่างนั้นด้วยความเหนื่อยจากการทางานไม่นานผมก็หลับไปเลยตื่นนอนอีกทีก็ใกล้จะถึงหมู่บ้านแฟนผมแล้วด้วยความ ง, วงัวเงียยังไม่ตื่นดีโดยรีบหยิบของเดินจะมาลงรถคนขับถามว่าจะลงตรงนี้เลยเหรอผมไปยักหน้าตอบแล้วรถก็จอดให้ผมลงเวลานั้นตีสี่เกือบครึ่งผมลงรถอ้าว นี่มันซุ้มประตูวัดนี่นาทางเข้าบ้านแฟนต้องเลยไปอีกหน่อยผมสะพายกระเป๋าแล้วเดินไปต่อแต่ก็ต้องสะดุดกับอะไราบางอย่างเข้าแสงจันทร์ส่องให้เห็นว่าเป็นอานของรถจักรยานผมก้มมองดูแล้วก็กำลังจะเดินไปปรากฏว่ามีน้องผู้หญิงคนหนึ่งใส่เสื้อสีแดงกางเกงยีนฟอกขาสามส่วนผมยาวถึงกลางหลังกาลังจูงรถจักรยานผ่านหน้าผมไปผมก็ดีใจ ว่ามีเพื่อนแล้วเลยถามไปว่าผู้สาวผู้สาวสิไปใส่ครับเข้าในหมู่บ้านบอผมไปนําแน่น้องผู้หญิงตอบว่าไปอยู่จะอายแล้วก็เดินจูงจักรยานนําหน้าผมไปเดินเข้าไปในซอยบ้านแฟนผมซึ่งต้องผ่านกาแพงวัดที่สูงท่วมหัวและมีต้นโพใหญ่อยู่ด้วยผมก็สงสัยว่าน้องเขาจะจูงจักรยานทําไมทําไมถึงไม่ขี่เลยถามไปว่าเป็นยังคือบัคคีละนั่งสุกเอาเห็ดยัง น้องตอบว่าสู้มันหลุดจะอ้ายนั่งใส่บบเป็นผมเล่หัวเลาะแล้วบอกว่ามามาให้อ้ายเบ่งดูเดี๋ยวอ้ายใส่ให้พูดจบผมก็เดินไปแล้วนั่งตรงโซ่รถจักรยานเอากระเป๋าวางไว้กับพื้นค่อยๆใส่โซ่เข้าที่ระหว่างที่ผมกำลังใส่โซ่จักรยานอยู่ๆก็มีน้ำหยดลงมาใส่หลังมือของผมสีเข้มๆผมคิดว่ามันน่าจะเป็นน้ามันของโซ่ผมเลยถามน้องเขาน้ามันโซ่ คือหยุดคักแท้ครับว่าแต่นางคนบ้านนี้บอกไอ้ผมเคยเห็นหน้าเลยสิ้นคําถามของผมน้องก็ตอบกลับมาว่าไอา้ก็ลองเบิ้ลหน้าน้องดูดีละ่ะคุ้นอยู่บ่จ๊ะผมเงยหน้าดูเท่านั้นแหละครับก้นจําเบ้าเลยภาพที่เหนคือใบหน้าที่ขาวเกลี้ยงเหมือนเปลือกไข่ไม่มีตาไม่มีปากไม่มีจมูกคิดว่าตาฝาดเลยเอามือขยี้ตาพอเอามือออกหน้าที่ว่างเปล่านั้นพุ่มลงมาเกือบจะถึงหน้าผมหางแค่เพียงนิ้วเดียว ที่สำคัญน้ำมันที่หยดใส่มือผมมันก็คือเลือดสีแดงจากหัวของน้องเขาไหลมาที่ค้างแล้วหยดลงมาคุ้นอยู่พอจะอ้ายฮิฮิฮิฮน้องทิ้งคำถามสุดท้ายไว้ก่อนจะขึ้นขี่จักรยานไปพร้อมกับเสียงหัวเราะแล้วปั่นย้อนกลับไปที่ถนนใหญ่ผมตาค้างหันตามไปดูพอไปถึงกลางถนนมีรถกระบะคันหนึ่งพุ่งชนจักรยานน้องอย่างจังกระเด็นไปต่อหน้าต่อตา ผมรวบรวมความกล้าแล้วรีบเดินไปจนถึงบ้านแฟนป้าแฟนกับแฟนผมตื่นพอดีถามผมว่าทำไมมาไวจังนรกว่าจะมาถึง6กโมงเช้าผมไม่ตอบละครับยังช็อกอยู่ป้าแฟนเห็นผมเงียบเลยถามต่อว่าไม่ใช่โดนผีหลอกอีกแล้วนะผมเลยถามว่าผู้หญิงผมยาวไม่มีหน้าใส่เสื้อสีแดงจูงรถจักรยานใช่ไหม้าใช่ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับ ป้าแกทำหน้าตกใจก่อนจะเล่าให้ฟังว่าก่อนผมกลับมาได้สามวันมีผู้หญิงคนหนึ่งขี่รถจั ก, กรยานมาเที่ยวบ้านเพื่อนในหมู่บ้านเรา น, นี่แหละและตอนกลับบ้านสักราวาตีสี่ครึ่งออกไปได้ครึ่งทางแล้วลืมอะไรก็ไม่รู้เลยย้อนกลับมาเอาของแต่โชคร้ายเจอคนเมาขับรถกระบะชนตายคาที่แถมยังกเอาศพหน้าถูกับพื้นจนตาจมูกปากหายหมดเลย ลากมาถึงซุ้มประตูวัดแล้วก็ขับหนีไปกว่าคนจะมาเจอศพก็เช้าแล้วที่สําคัญซากรถจักรยานเก็บไปหมดแล้วเหลือเพียงแต่อานนั่งเท่านั้นที่ยังหาไม่เจอส่วนเสื้อที่ใส่น่ะเป็นสีขาวที่เห็นว่าเป็นสีแดงคงเป็นเลือดมันเลอะเต็มเสื้อนั่นไงเดี๋ยวนี้ทุ่มสองทุ่มก็ไม่มีใครกล้าออกจากบ้านแล้วเพราะเจอกันแทบทุกคนตอนนั้นในใจผมคิดขึ้นมาเลย อย่าบอกนะว่าที่เหยียบเข้าตอนลงจากรถทัวร์ก็คืออ่านรถจักรยานของน้องเขาเรื่องราวของผมทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้